ถ้ามีคนทุกชาติทุกภาษาที่ได้สัมผัสกับได้ฟังเทศฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดศรัทธาขึ้นมาเพราะเป็นคำสอนที่ไม่เหมือนคำสอนอันใดในโลกนี้เป็นคำสอนที่ทำให้ผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติตาม ได้รับประโยชน์ทางด้านจิตใจเป็นอย่างมากทำให้ความทุกข์ใจร้อนใจไม่สบายใจต่างๆเบาบางลงไปและหายไปได้โดยสิ้นเชิมไม่มีคำสอนใดในโลกนี้ที่จะทำได้เหมือนกับคำสอนของพระพุทธเจ้าดัางนั้น ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนพอได้ได้สัมผัสกับคำสอนแล้วก็จะเกิดศรัทธาเกิดศรัทธาที่จะปฏิบัติตามคำสอนเพราะนอกจากการศึกษาการเรียนรู้คำสอนแล้วยังต้องนำเอาไปปฏิบัติถึงจะได้รับผลอย่างสมบูรณ์ส่วนหนึ่งก็ ได้รับแล้วจากการศึกษาส่วนที่เราสามารถปฏิบัติตามได้พอเราศึกษาแล้วเราปฏิบัติตามหรือเราเคยปฏิบัติมาแล้วเราก็จะได้รับประโยชน์ทันทีแต่ส่วนที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติเราก็ยังต้องไปปฏิบัติถึงจะได้รับประโยชน์ เมืองไทยเรานี่เป็นเมืองที่มีการปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์มีทุกระดับตั้งแต่ระดับต่ำขึ้นไปจนถึงระดับสูงสุดต่างคนต่างชาติที่อยู่ต่างประเทศ ท, ที่ต้องการปฏิบัติบางทีเขาก็ต้องมาที่ประเทศเรา เพราะที่ประเทศเขาไม่มีการปฏิบัติไม่มีผู้สอนไม่มีสถานที่ที่สนับสนุนการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ายังมีชาวต่างประเทศมาประเทศไทยเพื่อศึกษาเพื่อปฏิบัติธรรมกันอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก ศึกษาไปแล้วก็ปฏิบัติไปก็จะพัฒนาไปอันต้นก็ศึกษาปฏิบัติในฐานะของผู้คองเรือนคลรหัสผู้คองเรือนแล้วพอปฏิบัติก้าวหน้าขึ้นไปมากยิ่งขึ้นก็พร้อมที่จะบวชเป็นนัก บ, บวชเป็นบนรรพชิต เพื่อที่จะได้ปฏิบัติธรรมได้เข้มข้นยิ่งขึ้นไปจนสามารถบรรลุถึงธรรมขั้นสูงสุดได้ไม่มีประเทศไหนที่จะมีคำสอนมีการปฏิบัติมีการบรรลุธรรม เหมือนประเทศไทยประเทศอื่นก็มีการศึกษาการปฏิบัติแต่การบรรลุถึงขั้นสูงสุดนี้มักจะไม่ค่อยได้ยินกันไม่มีนักบวชของประเทศอื่นที่หลังจากที่ตายไปแล้วอัฐิกระดูกได้กลายเป็นพระธาตุมีแต่นักบวชนในประเทศไทยนี้ เช่นครูบาจารย์สายหลวงปู่มั่นเนี่ยตายไปนี่กระดูกท่านกลายเป็นพระธาตุกันมีนายปณีมัน ม, มีในเมืองไทยแห่งเดียวที่มีพระอหรหันต์ผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนถึงมรรลุธรรมท่านสูงสุดคือท่านพระอหรหันตาสาวกเพราะกระดูกของท่านนี้ได้กลายเป็นพระธาตุ อันนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าท่านได้เป็นพระอาหารหันต์อย่างแน่นอนเดินก็มีการศึกษามีการปฏิบัติคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ไม่เห็นมีประเทศไหนที่มีกระดูกของพระนักบวชที่ได้กลายเป็นพระธาตุไปมีแต่พระธาตุของ ของพระบรมศีลของพระพุทธเจ้าพระธาตุของพระพุทธเจ้ า, า, เ, จาเช่นประเทศศรีลังกาก็มีพระธาตุของพระพุทธเจ้าแต่ไม่มีพระธาตุของพระอรหันตาสาวกในยุคปัจจุบันไม่ไม่มีได้ยินข่าวพวกที่ไปศึกษาตามประเทศต่างๆไปไปมาๆก็มาที่ประเทศไทย บางคนก็ไปศึกษาที่ทิเบตบางคนก็ไปอินเดียบางคนก็ไปสีรังกาบางคนก็ไปพมา่าไปไปมามาเดี๋ยวก็มามาอยู่ที่เมืองไทยกันเพราะเมืองไทยนี้มีหลักสูตรที่สมบูรณ์มี มีผู้รู้ผู้สอนที่ได้บรรลุถึงธรรมขั้นสูงสุดเป็นผู้สั่งสอนมีสถานที่ปฏิบัติที่เอื้ออำนวยต่อการบรรลุธรรมมีศรัทธาญาติโยมที่สนับสนุนสนับสนุนอย่างเต็มที่ไม่เหมือนไม่เหมือนในประเทศต่างๆ ศรัทธาญาตโยมนี่ใส่บาตกันโน้นน้ำเบยจากเงินสร้างวัดสร้างกุฏิสร้างอะไรต่างๆกันพร้อมที่จะสนับสนุนแม้แต่การบวชก็มีผู้ยินดีที่จะเป็นเจ้าภาพเมื่อไม่กี่วันนี้ก็ได้บวชชาวโรเมนียคนหนึ่งก็มีญาติโยมคนไทยเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพ ผมจะฝากเพราะเชื่อบุญตัวเองยังบวชไม่ได้ก็ขอสนับสนุนผู้ที่เขาบวชได้ไปก่อน mm hmm. เชื่อว่าได้บุญได้ทำบุญที่ประเสริฐได้ทำบุญในการที่ส่งเสริมการศึกษาการปฏิบัติการบรรลุธรรมเพราะว่าจะเป็นการ ต่ออายุของพระพุทธศาสนาให้อยู่ยาวออกไปพระพุทธศาสนานี้จะอยู่ได้ไม่ได้อยู่ที่การสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์เพียงอย่างเดียวโบสถ์เจดีย์ไม่ใช่เป็นตัวศาสนาวัดวารามไม่ใช่ตัวศาสนาตัวศาสนาก็คือคาสอนของพระพุทธเจ้าการศึกษาคำสอน การปฏิบัติตามคําสอนและการบรรลุ ธ, ธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติตามคําสอนนี้จะทําให้มีผู้ที่รู้คําสอนของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องที่สุดที่สามารถที่จะรักษาคําสอนนี้ให้บริสุทธิ์ต่อไปให้คงอยู่ต่อไปถ้ามีแต่การศึกษาไม่มีการปฏิบัติ ความรู้ที่ได้จากการศึกษานี้จะเป็นความรู้ที่ไม่บริสุทธิ์เพราะอะไรเพราะภาชนะที่รองรับธรรมะของพระพุทธเจ้ายังไม่สะอาดนั่นเองคือใจของผู้ที่ได้ศึกษานี้ยังมีกิเลสอยู่พูดง่ายๆยังมีความโลภความโกรธความหลงความอยากอยู่ต่อให้ศึกษาจบพระไตรปิฎก จบปารเรียนเก้าแต่ถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติกิเลส ท, ที่เคยมีอยู่เท่าไหร่ก็ยังมีอยู่เท่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเอาความรู้นี้มาผสมกับกิเลสความรู้ของพระเจ้ามาผสมกับกิเลสมันก็กลายเป็นความรู้ที่ไม่บริสุทธิ์เหมือนกับจานอาหารที่เราจะไปใส่อาหาร ถ้ามันเปื่อนเราไม่ล้างอ่ะล้างจานก่อนแล้ว เ, เอาไปใส่อาหารอาหารมันก็ต้องปนกับของที่เปื่อนอยู่ในจานอาหารมันก็จะกลายเป็นอาหารเสียได้กินเข้าไปแล้วก็ท้องเสียได้เพราะภาชนะที่รองรับอาหารมันสกรปรกไม่ล้างก่อนใจของพวกเราที่มาศึกษาธรรมตอนนี้ก็ยังสกรปรกอยู่ สกรปรกด้วยกิเลสเครื่องเศร้าหมองสกรปรกด้วยความโลภความโกรธความหลงสกรปรกด้วยความอยากอยากในการมอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นเนี่ยคือใจของผู้ที่ลองรับพระธรรมคำสอนพอเอาพระธรรมคำสอนเข้าไปในใจแล้วคิดว่ารู้ทำแล้วก็ไปสอนคนอื่นมันก็เลยกลายเป็น เอาธรรมที่เสียไปสอนธรรมที่ไม่บริสุทธิ์ธรรมที่มีกิเลสตัณหาเจือปนอยู่ด้วยสอนแล้วคนฟังฟังก็จะเกิดความลังเลสงสัยเกิดความไม่แน่ใจไม่มั่นใจต่อคาสอนอแต่ถ้าทำของผู้ที่ได้ชาระใจสะอาดบริสุทธิ์แล้วใจของพระอาลหลันตัสาวก ธรรมที่อยู่ในใจของท่านนี้จะเป็นธรรมที่สะอาดบริสุทธิ์เพราะได้รับการกันกรองได้รับการแยกออกจากสิ่งที่สกปรกที่มีอยู่ในใจสิ่งที่มีอยู่ในใจคือกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจได้รับการกำจัดด้วยการปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้า พอใจสะอาดบริสุทธิ์แล้วทำที่อยู่ในใจก็เลยกลายเป็นธรรมที่บริสุทธิ์เขาเรีวยกว่าทำทั้งดุนทำทั้งแท่งทำร้อยเปอร์เซนถ้าเป็นทองคําก็ทองร้อยเปอร์ซไม่ใช่ทองเคทองเคนี่มีส่วนอย่างอื่นผสมอยู่ไม่บริสุทธิ์นี่คือธรรมของ ของจริงของแท้ทมที่จะยังพระศาสนาให้จเจริญรุ่งเรืองต่อไปให้อยู่กับโลกไปได้ก็คือทมที่สะอาดบริสุทธิ์ที่ได้รับการการกา ร, การชำระด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติใจของผู้ที่ รับธรรมะนั่นมาตอนต้นตอนที่รับธรรมะมายังเป็นธรรมะที่ยังไม่บริสุทธิ์ต้องเอาไปชาระด้วยศีลสมาธิปัญญาก่อนพอได้ชาระด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาแล้วสิ่งที่สโปรกที่อยู่ในจานอยู่ในภาชนะรับธรรมะก็คือใจก็จะ ถูกกาจัดไปหมดก็สิ่งที่สกปรกถูกกาจัดไปธรรมก็กลายเป็นธรรมที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นธรรมแท้ธรรมแบบเดียวกับของพระพุทธเจ้าและของพระสาวกในอดีตพระพุทธเจ้าเป็นองค์แรกที่ผลิตธรรมมันบริสุทธิ์ขึ้นมาด้วยพระองค์เองอตอนต้น ใจของพระ อ, องค์ก็มีกิเลสตัณหาเหมือนพวกเรามีความโลภความโกรธความหลงมีความอยากเหมือนกับพวกเราแล้วพระ อ, องค์ก็ไปศึกษาวิธีสร้างธรรมะขึ้นมาตอนต้นก็ศึกษาจากผู้ที่รู้ก่อนแต่ก็ได้เพียงครึ่งเดียวยังไม่ได้ครบร้อยได้ธรรมที่จะมาชำระใจอยู่สองระดับคือศีลกับสมาธิ แต่ทำระดับปัญญานี้ไม่มีใครรู้จึงไม่มีใครสามารถทำให้ใจของตนเองสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็ปราศจากความทุกข์ต่างๆหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างสมบูรณ์แบบหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ชั่วคราวท่าทำที่เขามีอยู่ในสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าตรัสสรู้ ทำขั้นปัญญาก็มีแค่สีนัสมาธินั่งฌานนั่งสมาธิเข้าฌานสู่ระดับต่างๆรูปฌานสีอารูปฌานสีสมาบัตินิโรธสมาบัตินี่คือระดับของสมาธิในระดับต่างๆผู้ที่เข้าฌานได้ก็จะหยุดความทุกข์ได้ชัว่วคราว แต่พอออกจากฌานมาพอมาคิดมาปรุงมาเห็นอะไรก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาใหม่ไม่มีใครรู้จักวิธีที่จะทำให้ใจไม่ทุกขโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในฌานได้ไม่ต้องข้านั่งสมาธิพระพุทธเจ้าก็อยากจะให้ใจไม่ทุกขในขณะที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิ แต่ไปศึกษากับใครก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครสอนพระองค์ได้พระองค์ก็เลยต้องเป็นผู้วิจัยเองเป็นผู้ค้นคว้าหาวิธีดับความทุกเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิก็ค้นคว้าไปค้นคว้ามาก็เห็นว่าตัวที่ทำให้ใจทุกข์ก็คือกิเลสตัณหาเนี่ยเอง เวลาเกิดความโลภใจก็ทุกเวลาเกิดความโกรธใจก็ทุกเวลาเกิดความหลงใจก็ทุกเวลาเกิดความอยากใจก็ทุกเวลาเข้าสมาธิความโลภความโกรธความหลงความอยากมันถูกระ ง, งับไปชั่วคราวความทุกข์ก็หายไปมีคือการวิเคราะห์ของพระพุทธเจ้าพอออกจากสมาธิมา ความโลภความอยากก็โผล่ขึ้นมาใหม่งั้นพระองค์ก็เลยลองฝืนไม่ทําตามความโลภทําตามความอยากพอฝืนจนกระทั่งความโลภความอยากมันหมดกําลังไปความทุกข์ก็หายไปหมดพระองค์ก็เลยส่ง ค, คนพบวิธีที่จะดับความทุกข์โดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิดับความทุกข์ด้วยปัญญาะ ปัญญาก็คือรู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์ใจก็คือความโลภความอยากนี่เองอิเลตัญหาตัวที่ทำให้ทุกข์ใจและวิธีที่จะทำให้ไม่ไปทําตามความโลภตามความอยากก็ต้องให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นเราไม่สามารถให้มันให้ความสุขกับเราได้ตลอดมันให้ความสุขเราได้ชั่วคราว อยากไปเที่ยวก็ไปเที่ยวก็ได้ความสุขจากการไปเที่ยวพอกลับมาจากการไปเที่ยวความทุกข์ก็กลับมาใหม่ตอนไปเที่ยวนี้ความทุกข์ไม่มีเลยสนุกอย่างเดียวสุขอย่างเดียวพอกลับมาแล้วความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หมดไปทีนี้ความทุกข์ก็กลับมาใหม่อยู่เฉยๆไม่ได้ ความอยากอยากทำอะไรต่ออยากจะเที่ยวต่อนี่คือแต่ถ้าตอนที่อยากไปเที่ยวแล้วไม่ไปเที่ยวมันเอาเงินไปทำบุญไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้ไปเที่ยวความอยากไปเที่ยวมันก็หมดกำลังครั้งต่อไปมันก็จะไม่อยากไปเที่ยวหรือถ้าอยากก็เบาลงทุกครั้งที่อยากแล้วเราไม่ไปทำตามความอยาก ต่อไปความอยากเที่ยวมันก็จะหายไปเมื่อเช้านี้แม่ลูกสองคนที่เอาเงินที่เอาเงินที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นมาทำบุญได้ทั้งพรรษาเมื่อเช้านี้มาทาบุญถามเขาอยากไปเที่ยวไหมอันนี้ไม่อยากอยากทำบุญมากกว่าทำบุญแล้วได้ความสุขกว่าไปเที่ยวแล้วมันสุขเดียเด๋ยววกลับมาแล้วกลับทุกข์เพราะว่าอยากจะไปเที่ยวอีก ถาไมไ่ไม่ได้เที่ยวก็ทุกแต่ถ้าได้ทําบุญแล้วความอยากเที่ยวมันไม่มาสร้างความทุกข์ให้กับเราไม่ได้ไปเที่ยวอยู่บ้านเฉยๆก็ไม่เดือดร้อนนี่คือปัญญาต้องเห็นว่าการทําตามความอยากนี่ความสุขที่เราจะได้จากมันนี้เป็นความสุขปลอมความสุขชั่วคราวความสุขที่จะทําให้เราอยาก อยากเพิ่มมากขึ้นไปแล้วพออยากแล้วไม่ได้ทำก็จะทุกข์เรือของที่เราได้ของที่ให้ความสุขกับเราเราได้มาพอเขาจากเราไปพอเขาหมดไปมันก็ทำให้เราทุกข์ความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวมันหายไปแล้วตอนนี้ก็ความทุกข์ก็เข้ามาใหม่อยู่บ้านเฉยๆมันก็หมดหดิริลำคาญใจต้องออกจากบ้าน ถ้าเที่ยวไกลไม่ได้ก็เที่ยวใกล้ๆก่อนเที่ยวแพงไม่ได้ก็เที่ยวถูกๆก่อนก็มาเที่ยวแบบนี้ก็ดีมาวัดแทนถ้ามาวัดทุกครั้งอยากไปเที่ยวก็มาวัดมาฟังเทศฟังธรรมมาทำบุญต่อไปความอยากไปเที่ยวก็จะหมดไปเนี่พระพุทธเจ้าเป็นองค์คนเดียวองค์แรกที่รู้วิธีที่จะดับความทุกข์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ได้ทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่ในสมาธิหรือไม่อยู่ในสมาธิพระองค์รู้แล้วว่าต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากความโลภความโกรธก็เกิดจากความโลภความอยากพอเราโลภเราอยากแล้วไม่ได้ดังใจเราก็โกรธความหลงก็เป็นตัวสร้างความอยากความโลภความหลงก็คือไม่รู้ว่าความโลภความอยากนี้ เป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์กันแทนที่จะค่ามันเรากลับไปสนับสนุนมันนี่คือความหลงเราเกิดความอยากไปเที่ยวกบไปเลยมีเงินเตรียมเงินไว้ไปเลยจองตัว๋วจองที่พักสมัยนี้มีเงินสักอยากไปได้ง่ายวันนี้จะไปก็ไปได้เลยถ้าอยากไปขึ้นมาจองที่พักกดมือถือจองตัว๋ว ขึ้นเครื่องแต่เวลาเงินมันหมดเนี่ยมันจะทุกข์เพราะมันอยากแล้วมันไปไม่ได้มันจะเหมือนติดคุกละทีนี้เหมือนนกที่ติดอยู่ในกรงเวลาไปเที่ยวนี่เหมือนออกจากกรงท่านบอกว่าเวลาไปนี่เหมือนไก่บินเวลากลับเข้ากรงนี่มันหากินขอพับ เวลาไปเที่ยวเลยเฮฮาสนุกเวลาต้องกลับบ้านนี้คอพักกลับมานี่แหละนี่แหล ะ, ละคือทรมันวิเศษของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครแม้แต่ปัจจุบันมนุษย์ที่ในโลกที่อยู่นี้ที่ถือว่าเก่งกาจเจริญกันนี้ไม่รู้อริยสัจสี่กันไม่รู้ว่าทุกเกิดจากความอยากกัน พวกที่จบด็อกเตอร์จบปริญญาเอกนี่ไม่รู้เลยว่าตัวเองทุกข์เพราะอะไรแต่เก่งสามารถสร้างจรวดสร้างรถสร้างรถแบบไม่มีคนขับได้ใช่สามารถผลิตสินค้าผลิตอะไรต่างๆได้ร้อยแต่สร้างระเบิดปรามโนฆ่าคนทีเป็นครึ่งโลกได้แต่ฆ่ากิเลส ต, ตัวเองไม่เป็นไม่รู้ว่า กิเลสนี้เป็นตัวที่สร้างปัญหาให้กับตนเองไม่มีใครรู้ถ้าไม่มีใครได้มาศึกษาไม่ได้ไไม่ได้พบกับอริยสัจสี่ไม่มีใครรู้อริยาาสัจสี่นี่เป็นของพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ต้องจดทะเบียนไม่มีลิขสิทธิ์ท่านไม่สมนลิลขสิทธิ์แล้วก็ไม่มีใครที่จะมาเคลมว่าเป็นของตอนเองได้ ไม่เหมือนสินค้าเดี๋ยวนี้แข่งกันแย่งกันจดด้วยกระสิทธ์แย่งกันเป็นเจ้าของต่างฝ่ายก็ตัางว่าตนเองเป็นผู้ค้นคว้าขึ้นมาคิดขึ้นมาแต่ฝ่ายก็บอกไปขโมยของเรามาเนี่ยแต่อริยาาสัจสี่นี้ไม่มีใครคิดขึ้นมาได้ด้วยตนเองถ้าไม่ได้มานหนังสือธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้ยินได้ฟังธรรมย จะไม่มีวันรู้อรยิยสัจสี่ได้พระพุทธเจ้าเลยไม่กลัวไม่ต้องจดลขิขิ์ไม่กลัวว่าใครจะมาครอบครองลิขิขตนี่แหละคือความรู้อันวิเศษของพระพุทธเจ้ารู้ว่าทุกข์นียเกิดจากความอยากวิธีจะหยุดความทุกข์ก็ต้องละความอยาก การจะรักความอยากได้ก็ต้องมีปัญญามีศีลสมาธิปัญญาผู้ที่ศึกษาแล้วพอสำรวจดูตัวเองว่าตอนนี้มีอะไรบ้างมีศีลหรือ ย, ยังไม่มีก็ต้องรักษาศีลห้ามีหรือยังยังไม่มีก็ต้องรักษาศีลห้ารักษาศีลห้าได้แล้วศีลแปดได้หรือยังยังไม่ได้ศีลแปดก็ต้องรักษาศีลแปดต่อ สีห้ามีกำลังไม่พอสีห้าพอที่จะเหมือนรถให้วิ่งตามถนนที่อยู่บนพื้นราบได้แต่ถ้าจะให้ขึ้นเขานี่ยีห้ากำลังไม่พอต้องต้องเปลี่ยนรถเป็นรถสะเทินน้ำสะเทินบกรถรถถับเคลื่อนสี่ล้อเ u v ูวอย่างนี้ถ้าอยู่ในเมืองกรถขับรถเก๋งได้แต่ถ้าจะไปขึ้นห้วยลงเขาเนี่ ก็ต้องเปลี่ยนลถอันนี้ก็เหมือนกันถ้าจะ อ, าอยู่อย่างไม่มีความทุกข์มากก็ถือศีลห้าไปก็ะพอตายไปไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปตกนรกศีลห้ารักษาได้แค่นี้แต่ถ้าจะไปกันนี้ไกลกว่า น, นี้สูงกว่า น, นี้ ไปสู่นิพพานนี้ต้องศีลแปดขึ้นไปเระฉะนั้นพวกที่เขาศึกษาเขาก็จะสำรวจ ด, ดูตัวเขาเองตอนนี้เขามีอะไรหรือยังเขามีศีลห้าหรือยังมีแล้วศีลแปดมีแรือยังถ้ายังไม่มีก็เริ่มหัดรักษาศีลแปดตอนตอนน้นอาจจะเอาวันละอาทิตย์ละวันก่อนเพราะไม่พร้อมด้วยหลายเหตุหลายประการ เพราะต้องทำงานต้องอะไรยังมีคู่ครองอยู่คู่ครองยังบังคับให้ต้องร่วมหลับนอนกับเขาอยู่ก็อาจจะขออนุญาตหยุดมีวันหยุดบ้างแม้วันซันเดย์บ้าวันพระคือ Sunday s อั n เด y ของผู้ <า S 1> ที่ไม่ต้องการที่จะร่วมหลับนอนกับใครแะ้วา on ันเด a y เคยได้ยินเพลงนี้ไหม น่นะเขาบ่าเขาขอหยุดสักวันหนึ่งอาจจะเป็นโสดเพนีบ้าง <laughs> เลยขอหยุดสักวัน <laughs> <laughs> วันนาทิตย์เป็นวันหยุดขอไม่ไหวแล้วขอพักผ่อน <laughs> ผู้ที่อยากจะถือศีลแปดก็ต้องแนบวันซันเดย์บ้างวันหยุดทำงานเนี่ยวันที่ไม่ต้องทำงานเป็นวันที่เหมาะกับการรักษาศีลแปด ก็ถ้าไปทำงานเดี๋ยวมันต้องกินข้าวเที่ยงกินข้าวเย็นมันหิวข้าวบางทีทำงานแล้วมันต้องกินตั้งแต่หลังเที่ยงไปสือศินแปดก็ลำบากคนที่ถือสินแปดนี่เขาจะไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วเขาจะไมะ่ร่วมหลับนอนกับแฟนอันนี้ก็เลยต้องเอาวันที่สะดวก คือวันหยุดทํางานเพราะนอกจากถือศีลแล้วจะได้ไปสร้างสมาธิด้วยพร้อมกันการถือศีลแปด น, นี้มันทาพร้อมๆกับการสร้างสมาธิสร้างปัญญาถือศีลแปเพื่อจะได้มีเวลามีกำลังมาสร้างสมาธิสร้างปัญญานั่นเองถ้าถือศีลห้ามันไม่มีเวลาเดี๋ยวตกเย็นคนมาชวนไปกินเลี้ยงก็ไปได้ คนมาชวนไปเที่ยวไปดูหนังไปฟังเพลงก็ไปได้แฟนมาชวนไปนอนก็ไปได้เพะสินห้าไม่ห้ามห้าเพียงแต่ไม่ให้ดื่มโุราพเดื่มสุร า, เ, ร า, เ, ดราเดี๋ยวจะเม า, เาแล้วจะไปทำบาปข้ออื่นได้ก็เลยไม่ให้ดื่มสุราเพื่อจะได้ไม่ไปฆ่าสัตว์ไม่ไปรักทรัพย์ไม่ไปประพฤติผิดประเวณีไม่พูดตด สีห์ห้าจึงไม่สามารถที่จะสนับสนุนการสร้างสมาธิสร้างปัญญาได้ต้องอาศัยศีล์แปดถ้ามีศีล์แปดนี่หลังจากเที่ยงวันนั่งว่างแล้วไม่มีอะไรต้องทําแล้วอาหารก็กินเรียบร้อยแล้วเรื่องอาหารเรื่องเลี้ยงดูร่างกายนี่ก็บดแล้วไม่ต้องกังวละไม่ต้องกินอาหารเย็นรับรองได้ไม่ตายไดเติมน้ำมันเต็มที่แล้วถ้าเป็นรถก็เติมเต็มถังแล้ว ไม่ต้องไปแบ่งแต่บางทีเราขึ้นถังหรอกแต่บันทีเดียวให้มันเต็มถังไปเลยฉันเมื่อกินมื้อเดียวเหมือนเนี่ยพระนีเนี่ยพระบนเขานี่เขาฉันมื้อเดียวตอนนี้ท่านก็รวยเต็มที่เลยตะเนี้เดินจงกรมนั่งสมาธิสู้กับกิเลส ข, ข่ากับกิเลสไปจนถึงพรุ่งนี้เช้ามืดถึงจะไปบินธบาตไปเติมน้ํามันอีกครั้ง นี่คือการปฏิบัติของผู้ปฏิบัตินีจะเอาแต่การปฏิบัติอย่างเดียววันนี้ไม่มีกิจอย่างอื่นให้ทำํำมีแต่การปฏิบัติสร้างสมาธิสร้างปัญญาสร้างสติที่เป็นเหตุที่จะทําให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาได้ไม่ต้องทําอะไรทําก็เล็กๆล็้น้อยดูแลความสะอาดดูความเรียบร้อยช่วยกันกวาดลานวัด กวาดทางเดินกวาดถูสาลาทำแป๊บเดียวไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็เสร็จและเวลาทำก็ปฏิบัติไปด้วยมีสติตลอดเวลาการมีสตินี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติแล้วทำอะไรมีสติกับการกับทำของเราไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่ กำลังกวาดก็กวาดอย่างเดียวคิดอยู่กับเรื่องกวาดกวาดซ้ายกวาดขวาไปทำอะไรก็ให้มีสติอยู่การกระทํานี้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติแล้วเป็นการปฏิบัติเบื้องต้นขั้นที่หนึ่งคือขั้นสติก่อนจะมีสมาธิได้ต้องมีสติก่อนถ้าไม่มีสติไปนั่งสมาธิจิตจะไม่สงบจิตจะไม่หยุดคิดถ้ามีสติ จิตจะหยุดคิดได้ต้องฝึกสติเวลาที่ทําอะไรต่างๆเวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธินี่ต้องฝึกสติก่อนฝึกได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยยิ่งอยู่ที่นี่อยู่คนเดียวไม่ยุ่งกับใครพอลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธไปควบคุมความคิดไม่ให้มันคิดทําอะไรก็อยู่กับงานที่กําลังทําอยู่เต่นขึ้นมาก็ล้างหน้าแป๊บเดียวเสร็จแล้วเดินจงกรมได้แล้ว เดินจงกรมนั่งสมาธิพอถึงเวลาที่จะต้องเดินลงไปไปบินตะบาาก็เดินลงไปเดินลงไปก็เหมือนเดินจงกรมลงไปมีสติอยู่กับการเดินไม่คิดถึงอะไรทั้งนั้นเราอยู่ที่นี่มันต้องไม่คิดเพราะต้องมีความระมัดระวังว่ามันมืดหนึ่งตอนคืนสองมีสัตว์เลื้อยคานมีอะไรจะไปเดินแบบเออละเหยลอยลมเหมือนเดินช้อปปิ้งไม่ได้ จิตไม่ต้องอยู่ปัจจุบันต้องอยู่กับทางเดินข้างหน้าว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าเนี่ยอยู่ในปา่าอยู่ที่หน้าที่เปลี่ยวที่น่ากลัวนี้มันจะทําให้เราเกิดสติขึ้นมาโดยอัตโนมัติเพราะเราต้องมีความระมัดระวังเพราะเราไม่รู้ว่าจะมีอะไรอยู่ข้างหน้ามัวไปเผลอคิดหรือไม่เดินเอ้อระเหยลอยลมเดี๋ยวไปเหยียบงูเข้า การฝึก ข, ขัดในป่ามันได้ประโยชน์มากไม่เหมือนกับการไปเดินช้อปปิ้งนี้ไม่มีสติเลยใจลอยไปกับสินค้าที่มีอยู่ตามห้างตามร้านเห็นแล้วก็เกิดตันหาความอยากได้ขึ้นมาแล้วถ้าไม่ได้ก็จะตายให้ได้จะดิ้นตายให้ได้จะหายดิ้นก็ต้องซื้อมาถึงจะหายดิน้นต้างเงินไม่พอก็รูดบัตรเป็นหนี้ ก็มาเครียดกับการที่ต้องหาเงินมาใช้หนี้ต่อไปของที่ได้มาได้มาแล้วก็ไม่ไ ม, มีความหมายเสีแล้วไม่ได้ให้ความสุขเหมือนตอนที่มันอยู่ในร้านตอนที่ออกมาจากร้านนี่โหยมันสุขเหลือเกินแต่พอเราอยู่บ้านแล้วเราดูยังไงก็ไม่สุขสักทีดูแล้วมันก็เฉยไม่ดูดดื่มเหมือนตอนที่ตอนที่ได้มาออกมาจากในร้านนี่นี่หละ ความอยากมันทำมันหลอกให้เราคิดว่าเรามีความสุขแต่พอเรามันไม่อยากแล้วมันเห็นแล้วมันก็เฉยเฉยแล้วไม่มีความรู้สึกอะไรมีคือการปฏิบัตินี่ยต้องสำรวจดูว่าตัวเองตอนนี้มีอะไรบ้างไม่มีอะไรบ้างถ้าอยากจะไปสู่ธรรมที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายไปถึง ต้องสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญาต้องสร้างสติวิธีที่จะสร้างสติก็เนี่แหละต้องมีวันหยุดทำงานจะได้มีเวลามาปริกวิเวกถ้ามีวันหยุดทำงานแล้วเวลารักษาศีลเวลาสร้างสติสร้างสมาธินี้ควรจะหาที่อยู่คนเดียวเพื่อจะได้ไม่มีใครมารบกวนการสร้างสตินั่นเองถ้ามีคนเดี๋ยวก็คุยกัน แทนที่จะหยุดคิดก็ต้องมาคิดคุยกันไปคุยกันมาเดี๋ยวก็เกิดความอยากเดี๋ยวก็ชวนกันไปกินหนมกินกาแฟกันดีไมด่ดีเดี๋ยวก็ชวนไปเที่ยวต่อเลยยิ่งคุยยิ่งมันยิ่งสนุกคุยถึงหนังเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวก็ชวนไปดูหนังกันนั่นต้องอยู่คนเดียวถ้าอยากจะสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาอยากจะรักษาสิ่งแปดจะไม่เหมาะกับวันทํางาน มันทำงานนี้ต้องไปเกี่ยวข้องกับงานเกี่ยวข้องกับคนเดี๋ยวพักเที่ยงก็ชวนกันไปกินอาหารกันไปอะไรกันเดี๋ยวเลิกเย็นก็ชวนกันไปดื่มกันก่อนจะกลับบ้านก็แวะดื่มท่าหน่อยคลายเครียดเนี่ยมันทำงานจะไม่สามารถที่จะมาเจริญธรรมขั้นสูงได้คือขั้นศีลแปด ต้องมีวันหยุดแล้วก็ต้องไปหาที่ที่ไม่มีใครมามายุโยงมาชวนมาแย่มาล่อไปอยู่คนเดียวหาที่ไหนก็ได้ที่บ้านก็ได้ถ้าอยู่ที่บ้านก็บอกไม่ให้ใครมายุ่งไม่ติดต่อกับใครปิดโทรศัพท์มือถือไม่ติดต่อกับโลกภายนอกเหมือนเป็นนักบินอวกาศ ขึ้นเครื่องบินไปสู่อาวากาศไม่ติดต่อกับใครต้องการที่จะมาทำใจให้สงบต้องการจะรักษาศีลแปดให้บริสุทธิ์ต้องการจะริญสติพอถ้าไม่มีสติแล้วนั่งสมาธิยังไงก็ไม่มีวันสงบได้ถ้าจิตไม่สงบจิตไม่มีความสุขจิตก็จะไม่สามารถสู้กับกิเลสได้ ถึงแม้จะมีปัญญาก็ปัญญาก็ไม่มีไม่มีความแหลมคมไม่มีมองไม่เห็นความทุกข์ที่เกิดจากการทำตามความอยากแล้วก็อยากเพราะว่าใจไม่มีความสุขในตัวเองแต่ถ้ามีสมาธิใจสงบใจมีความสุขในตัวเองนี่ฝืนความอยากได้สู้ความอยากได้เวลามีความอยาก เราก็บอกว่าไปทําไมตอนนี้เรามีความสุขอยู่แล้วไปหาความสุขอันนั้นทําไมใ น, นเมื่อความสุขที่เรามีอยู่มันดีกว่าอยู่แล้วไม่มีความสุขกันไหนเหนือกว่าความสุขที่ได้จากความสงบพอมีความสุขจากความสงบแล้วกิเลสจะมาหลอกให้ไปเที่ยวไปดูไปกินไปดื่มไปทําไมไปก็แบบไก่บินเวลาไปก็ไกลบินพอกลับมาก็หากินเอ เสู้อยู่กับความสงบดีกว่าอยู่กับความไม่อยากดีกว่าดยุดความอยากดีกว่าไม่ทําตามความอยากดีกว่าพอไม่ทําตามความอยากความอยากหยุดไปความความรู้สึกไม่สบายที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปก็ไม่ต้องไปทําตามความอยากอันนี้จะต้องมีสมาธิก่อนถ้าไม่มีสมาธิเหมือนคนไม่ได้กินข้าว พอใครมาชวนให้ไปกินขี้บางทีก็ไปกินขี้ดีกว่าไม่ได้กินแต่คนที่เขามีความอิ่มแล้วชวนไปกินขี้ก็ไม่ไปหรอกของที่เราได้จากความอยากนี่เหมือนขี้มันไม่มันไม่ได้เป็นอาหา ร, หร อ, อาหารของใจคือความสงบนี่ยเป็นอาหารพอใจได้กินอาหารแล้วพอมาชวนให้ไปกินขี้มันไม่ไปหรอก แต่ถ้าเวลามันไม่มีความสงบมันไม่ได้กินอาหารพอพอความอยากมาชวนให้ไปกินขี้มันก็ไปไปกินมากลับมาก็หิวเหมือนเดิมอิ่มเดียวเดียวอิ่มแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็หิวใหม่อยากใหม่ขึ้นมาดังนั้นการปฏิบัติมันจึงต้องเป็นขั้นเป็นตอนข้ามขั้นตอนไปแล้วไม่มีวันที่จะได้ผล รักษาสี่ท่าแล้วไปภาวนาก็ไม่ได้ผลนั่งสมาธิเดี๋ยวก็ง่วงแล้วกินข้าวเย็นเสร็จไปนั่งสมาธิดูเดี๋ยวก็หลับในช่วงถ้าช่วงกลางวันหลังเที่ยงวันนั่งก็หลับอีกแล้วพอไม่หลับก็หิวหิวก็จะคิดแต่เรื่องกินอีกนั่งไปก็โมจะคิดเมื่อไหร่จะได้กินข้าวเย็นก็หลับไม่ได้นั่งอีกนั่งไม่ได้พอได้กินข้าวเย็นเสร็จจะไปนั่งใหม่ก็หลับอีก เนี่ยคืออุปสรรคถ้าถือศีลห้าแล้วมันไม่มีทางที่จะปฏิบัติได้เดียร์ญาติโยงที่มาเล่าให้ฟังนั่งแล้วทําไมสับประงกหลับกันถือศีลแปลดหรือเปล่าไม่ได้ถือกันหรอกถือศีลห้ากันทั้งนั้นอ น, นั้นนี่คือทําไมต้องปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนเพราะมันเป็นเหมือนขั้นบันดไดเหมือนขึ้นชั้นอ่ะ จะไปขึ้นชั้นชั้นสามโดยไม่ผ่านชั้นหนึ่งชั้นสองได้ไหมไม่ได้หรอกมันก็ต้องเดินผ่านชั้นหนึ่งขึ้นไปชั้นสองตั้งแตงยังถึงชั้นสามถ้ายัางรักษาสีงแปดไม่ได้ก็ต้องหัดรักษาสีงแปดให้ได้ก่อน<ช>ก็เอา อ, อาทิละวันก่อนก็ได้เพราะมันต้องมีเวลาด้วยต้องมเอีเวลาที่เหมาะสม ถ้าไปทํางานนี่มันไม่เหมาะสมกับการรักษาศีลแปดแล้วก็พ อ, อรักษาศีลแปดได้ก็ต้องมีที่ที่สงบที่ไม่วุ่นวายไม่ยุ่งกับใครใเพื่อที่จะได้มีเวลาจเจริญสติอย่างต่อเนื่องควบคุมความคิดไม่ให้คิดอย่างต่อเนื่องถ้าควบคุมได้เวลานั่งสมาธิ จิตก็จะสงบเป็นสมาธิได้อย่างรวดเร็ว5้านาทีสิบนาทีก็สงบได้พอสงบแล้วก็จะมีความสุขมีความอิ่มพอจากสมาธิมาใหม่ๆความสุขความอิ่มยังอยู่เหมือนน้ำเย็นที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นเวลาออกจากตู้เย็นมันไม่หายเย็นทันทีมันต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งถึงจะหายเย็น ความสุขที่ได้จากความสงบก็เหมือนกันพอจากสมาธิมาใหม่ๆมันก็อิ่มมันก็สุขแต่มันจะค่อยๆหายไปแล้วพอมีความอยากมาถ้าออกมาใหม่ๆความอยากมาชวนเราก็สู้มันได้เพราะเรามันมีความอิ่มแต่ถ้ามันนานเข้าไปนานเข้าไปแล้วมาชวนนี่อาจจะใจเริ่มสัน่นใจเริ่มหวั่นไหวแล้วอันนี้แสดงว่าสมาธิหมดกาลังแล้ว ก็ต้องกลับไปนั่งสมาธิสู้กับความอยากอย่าไปทําตามความอยากถ้าเรารู้ว่าการไปทําตามความอยากมันเป็นการไปหาความทุกข์ไปหาเรื่องไปหาปัญหาต่างๆก็อย่าไปทาไปนั่งสมาธิแทนพอไปนั่งสมาธิความอยากทําสิ่งที่อยากก็จะหายไปแล้วครั้งต่อไปมันก็จะมามายากขึ้นมา กำลังของมันจะน้อยลงแล้วต่อไปมันจะไม่มาเหมือนทุกครั้งที่เพื่อนมาชวนเราไปเที่ยวเราไม่ไปเนี่ยใหม่ใหม่ก็้า จ, จะมาชวนครั้งสองครั้งเนี่ยพอครั้งที่สามที่สี่มาชวนไม่ไปก็สแสดงว่ามันไม่ไปแน่ๆแล้วไม่ต้องมาชวนมันเลาวเสียเวลาเปล่าๆไปชวนคนอื่นดีกว่ากิเลสก็เหมือนกันเมื่อมันมาชวนเราไปทําตามความอยากไม่ได้ เดี๋ยวมันก็ไม่มาแล้วมันไปชวนคนอื่นดีกว่าชวนคนที่ไปดีกว่าต่อไปใจเราก็จะไม่มีกิเลสมามาชวนเราไปไหนไปชวนเราไปทําอะไรใจเราก็จะสบายเพราะตัวที่ทําให้เราไม่สบายก็คือความอยากนี่สังเกตดูวเวลาเกิดความอยากขึ้นมาสบายใจนะ้ไหมนั่งเฉยๆแบบนี้ได้ไนหะอยากสูบบุหรีแล้วนั่งเฉยๆอย่างนี้ได้ไนหะ อยากดื่มกาแฟแล้วนั่งเฉยๆได้นะอยากดูอยากฟังอะไรนะนั่งไม่ได้แล้วละเริ่มหงุดหงิดนำคาญใจต้องไปทำสิ่งที่อยากมันถึงจะหายแต่ปัญหาเดียวๆมันไม่ได้เป็นวิธีที่หายอย่างถาวรวิธีที่หายอย่างถาวรก็คือต้องทำใจให้สงบอย่าไปทำตามความอยากไปพุทธโธพุทธโธนั่งสมาธิ ถ้าพุโทโธพุธโทโธนั่งสมาธิไม่เป็นก็ทนไม่ไหวเดี๋ยวก็ต้องไปทําตามความอยากแล้วความอยากก็จะกลับมาหาเราใหม่ครั้งต่อไปเราจะอยากมากขึ้นกว่าเดิมโบราณท่านึงบอกว่าได้คือก็อยากจะได้สอกได้สอกก็อยากจะได้วาตอนต้นไปขอเงินคนนี้คนเ น, นื่นีขอข้อร้อยหนึ่งขอ้อร้อยข้าหน้าร้อยหนึ่งไม่พอแล้วต้องห้าร้อย ถ้าได้ห้าร้อยเดื๋ยคราวหน้าก็ขอพันเ่ยนี่คือความอยากมันจะขยายตัวคนเริ่มสูบเลยนี่วันวันละซองนี่สูบไม่ไหวสูบวันละไม่กี่มวนแต่พอสูบไปสูบไปเอ้ครึ่งซองกลายเป็นซองงซองหนึ่งกลายเป็นสองซองสามซองขึ้นไปเอ้ยมันกลายขึ้นไปได้ยังไงความอยากมันมากขึ้นที่ขึ้นนั่นเอง แต่ถ้ามันอยากให้เราสูกแล้วไม่สูกเนี่ยเหลือจากสามซองก็เหลือสองซองจากสองซองก็เหลือซองเดียวเดี๋ยวก็ไม่สูกเลยนี่คือวิธีที่จะหยุดความอยากแต่ถ้าไม่มีสมาธิหยุดยากใจมันจะสัน่นมันจะทรมานมันคนติดยาเสพติดเนี่ยที่เวลาติดแล้วไม่ได้เสพนี่เขาว่าเหมือนจะตายนะความทุกข์มันทรมานใจยิ่งกว่ามันมันว่าตายดีกว่า ทุกข์กับความทรมานของความอยากเสพยานแต่ถ้าเรามีวิธีทำให้ใจหายสันหายทรมานได้เราก็ไม่เสพยาได้ถ้าเรามาฝึกพุโทโธพุโทโธได้หยุดความคิดหยุดความอยากได้ความทรมานที่เกิดจากความอยากนี่มันจะหายไปก็เลิกเสพได้นี่คือทำไมเราจึงต้องมีสมาธิก่อน ถึงจะไปทางปัญญาได้ถ้าไม่มีสมาธิรับรองได้ไม่มีวันที่จะฆ่ากิลเลสได้ไม่มีกำลังสู้มันพอกิลเลสมานี่ถ้าจะกราบเท้ามันเลยฮะพอามาชวนนี้ไปเลยต้องการอะไรบอกมาเลยต้องการกาแฟเอาเดี๋ยวจะชงให้ต้องการขนมเดี๋ยวจะทําให้ต้องการจะดูเดี๋ยวจะเปิดให้ดูต้องการจะฟังเปิดให้ฟังมีแต่ นรับขับสู้อย่างเดียวไม่มีคําว่าไม่เอาไม่มีเลยนี่แหละเพราะไม่มีกําลังไม่มีความสุขในตัวเองเลยต้องไปหาความสุขภายนอกหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายหาความสุขจากการไปเที่ยวไปชอปปิง้งไปดูมอสุบบันเทิงอะไรต่างๆคนที่ไปทําอย่างนี้ไม่แสดงว่าไม่มีสมาธิกันเลยนับลองได้ ถ้ามีสมาธิเขาไม่ไปกันหรอกไปให้โง่ทไมของดีกว่ามีอยู่อยู่เฉยๆมีความสุขกว่าไปเที่ยวไปชอปปิง้งนีมันต้องแต่งเนื้อแต่งตัวต้องออกจากบ้านต้องไปนั่งรถติดรถในท้องถนนต้องไปเบียดเสียดกับคนร้อยแปดพันประการปัญหา อยู่บ้านเฉยมีความสุขกว่าเยอะแยะถ้ามีสมาธิแล้วไม่ไปดีกว่านี่แหละคือธรรมของพระพุทธเจ้าที่เราตอนต้นศึกษากันแล้วเราก็ศึกษาทั้งเหตุทั้งผลพระพุทธเจ้าบอกถ้าทาอย่างนี้ได้แล้วจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆความกังวลความหวาดกลัวความวิตกความซึมเศร้าความาเศร้าซ้อยง่อยหเหงา อะไรอาวร์อะไรต่างๆท้อยแปดที่มีอยู่ในใจเราที่ไม่ดีทั้งหลายนี้หายไปหมดถ้าสามารถปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติได้พอได้ศึกษาแล้วเราก็มาทบทวนดูทมที่เรามีตอนนี้ว่ามีอะไรบ้างมีศีลห้าหรือยังทำทานได้หรือยังเดี๋ยวหรือยังโลภอยากได้เงินอยากได้ทองอยู่ เงินทองนี่มีไว้เพียงไว้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้นถ้าเอาไปใช้อย่างอื่นนี่เป็นวิธีฆ่าตัวตายเป็นวิธีสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองไม่ใช่เป็นวิธีสร้างความสุขเพราะมันเหมือนไปซื้อยาเสพติดซื้อแล้วมันก็ติดติดแล้วเวลาไม่ไม่ได้ซื้อก็จะทุกข์การใช้เงินนี้มีมีเหตุผลอันเดียวเท่านั้นคือใช้ไว้สาหรับเลี้ยงดูร่างกาย ใช้เพื่อให้ใช้จ่ายกับปัจจัยสี่คืออาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มเท่านั้นถ้าเอาเงินไปใช้อย่างอื่นนี่ถ้าไปใช้ตามความอยากนี่เหมือนไปซื้อยาเสพติดเหมือนไปฆ่าตัวเองฆ่าตัวตายฆ่าผ่อนส่งมันจะต้องทุกข์ทรมานเวลาขาดเงินขาดทองขึ้นมาเวลาตกงานกหน้าก็จะเศร้า แต่ถ้าเราไม่เอาเงินไปใช้ตามความอยากทำงานเก็บเงินไว้สำรองไว้สำหรับซื้อค่าใช้ใจ่ายที่จาเป็นตก ง, งานก็ไม่เดือดร้อนดีไม่ดีอยากจะตก ง, งานช่วยได้ทำไงจะได้มีเวลาว่างไปรักษาศีลห้ารักษาศีลแปสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาต่อไปนี่ยคือการใช้เงิน ถ้าใช้เงินเพื่อความอยากแล้วมันจะต้องใช้ไปเรื่อยๆมันก็จะต้องหาไปเรื่อยๆแล้วมันจะไม่มีเวลามารักษาศีนห้ารักษาศีลแปดได้เพราเวลาหาเงินนี่มันถ้าอยากหาง่ายหาเร็วหาหาได้มากๆมันก็ต้องผิดสินบ้างใช่ไหมต้องโกหกมากไม่พูดความจริงร้อยเปอร์เซ็นต้องโกงกันบ้างถึงจะได้ง่ายได้เร็วได้มาก ถ้าใช้มากมันก็อยากจะได้มากได้ง่ายได้เร็วมันก็ต้องทำผิดศีลมันก็เลยรักษาสีหน้าไม่ได้มันก็เลยไปไหนไม่ได้มันก็ติดอยู่ตรงนี้ติดอยู่กับการหาเงินใช้เงินแล้วก็ทำบาปไปด้วยแล้วบุญก็จะไม่ค่อยได้ทำเพราะจะเอาเงินไปเที่ยวอย่างเดียวเอาเงินไปใช้ตามความอยากอย่างเดียวตายไปก็ไปอาบายน้อยแน่นอนเพราะทาบากรมากกว่าทบุญบุญไม่ได้ทำทำแต่บาปเพื่อจะหาเงิน พอได้เงินมาแทนที่เอาเงินไปทำบุญก็ไม่ทำบุญเอาเงินไปใช้ตามความอยากยิ่งใช้ตามความอยากก็ยิ่งอยากใช้ใหย่ดง น, นั้นการใช้เงินวิธีที่จะทวนกระแสของกิเลสก็คืออย่าใช้ตามความอยากใช้ตามความจำเป็นใช้เลี้ยงดูร่างกายถ้ามีเหลือก็เอาไปเก็บไว้ส่วนหนึ่งสาหรับวัน เผื่อวันไหน้วัไหนเราอยากจะเลิกทำงานเราจะได้มีเงินสำรองแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็สบายไปบวชได้เลยไม่ต้องไม่ต้องหาเงินเองแต่เป็นผู้หญิงนี่บางทียังอาจจะต้องมีบ้างถ้าไปหาวัดอยู่ไม่ได้คามจริงวัดจะอยู่ได้แต่บางทีก็จู้จี้จุกจิกเองไม่อยากจะไปอยู่เองมีเงื่อนไขต่างๆร้อยแปดถ้ายอมเป็นแจวบะอย่างไปอยู่วัดไหนก็อยู่ได้ มีเขายินดีต้อนรับเราทุกแข่งทุกคนการเป็นแจวเขาไม่เสียหายทางไห น, นเ็าเป็นการแลกเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเราจะได้อยู่อยู่ฟรีกินฟรีใช่ล้วก็ต้องมีมีมีการทดแทนกันทางวัดเขาให้อาหารเราให้ที่อยู่เราเราก็ต้องช่วยวัดทำงานบ้างไม่ได้ให้ทำทั้งวันทั้งคื น, นทำเฉพาะเวลาที่ต้องทำตอนกินตอนกินข้าวตอนเช้าแค่นั้นเอง พอกินเสร็จแล้วก็เก็บข้าวของเรียบร้อยก็ต่างคนก็ต่างไปปฏิบัติไปภาวนาได้เน้นถ้าจะบวชจริงๆเนี่ไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ต้องมีเงิ น, นต้องเลิกใช้เงินก่อนต้องเลิกหาเงินก่อนถึงจะไปบวชไปถือศีลแปดได้แต่ยังหาเงินยังใช้เงินอยู่ไม่มีทางที่จะไปได้นี่คือทําไมต้องทําทานทําทานเพื่อเราจะได้อ่า เวลาจะเอาเงินไปใช้ตามความอยากก็เอาไปทำทา น, ทนแทนทำการทำทานก็จะทำให้เราหาอยากใช้เงินไปตามความอยากทุกครั้งอยากจะใช้เงินไปเที่ยวก็ไปทําบุญนี่แต่ไปความอยากไปเที่ยวมันก็หมดไปหมดไปเราก็ไม่ต้องหาเงินมาเที่ยวแล้วพอไม่ต้องหาเงินก็ไม่ต้องทำงานก็จะมีเวลาว่างไปรักษาศีลไปปฏิบัติธรรมได้ พอได้ปฏิบัติธรรมแล้วมันธรรมก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับศีลห้าศีลปสติสมาธิปัญญาแล้วก็วิมุตติมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆขั้นสุดาบันขั้นสกิดาคามีขั้นอนราคามีขั้นอรหันต์ก็จะตามมามันเป็นกระบวนการมันไม่ใช่เป็นของแปลกประหลาดหรือของวิโสกวิเศษหรืออะไรหรอกมันเป็น เหมือนกับการเรียนหนังสือของเราใช่ไหมเราก็เริ่มที่อนุบาลกันแล้วเดี๋ยวมันก็ไปประถมจากประถมมันก็ไปมัธยมของมันเองแต่ถ้าจะเริ่มพอจะเริ่มต้นจะไปมัธยมนี่มันก็ไปไม่ไหวเรียนก็สอบตกมันไม่มีกำลังพอพอจะเริ่มปฏิบัติก็จะไปวิปัสสนาเลยจะปัญญาเลยเอาแต่อภิธรรมอย่างเดียวแล้วมันเอาอะไรไปฆ่ากิเลสมันไม่มีกาลังที่ไปฆ่ากิเลส เรียนไปก็ความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดนะนี่ยความไม่รอดพ้นจากความทุกข์มันต้องเป็นขั้นตอนตามที่พระเจ้าได้ส่งสอนต้องปฏิบัตินะพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติแบบนี้ว่าทำทานก่อนสละราชสมบัติก่อนเลิกใช้เงินเลิกหาเงินก็ไปบวชได้ไปถือศีลแปดไปเจริญสติไปนั่งสมาธิจนได้ฌานขั้นต่างๆแล้วพ อ, อได้ฌานแล้วทีนี้ก็มาใช้ปัญญา ตนดูว่าอะไรเป็นตัวทำให้เราทุกข์ก็คือตัณหาความอยากกิเลสตัณหาก็หยุดมันไปเท่านั้นเองเพอหยุดมันปั๊บมันก็จบวิมุตติก็ตามมาโสดาปฏิพอสกิดาคามีผลอนาคามีผลอรหัตตผลมันก็ตามมามไม่ใช่เป็นของลึกลับของของอะไรที่มันเหนือความสามารถ ถ้าทุกคนทำตามขั้นตอนนี้ทำได้ทั้งนั้นอ่ะปัญหาคือไม่ทำตามขั้นตอนหนึ่งสองทำก็ไม่ทำมากทำน้อยทำพอหอมปากหอมคอ่งมันก็ไม่ได้มันต้องทำเต็มที่สติเนี่ยมันต้องทำตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยต้องทำต้องมีสติถ้าไม่มีมันก็จะไม่มีวันที่จะทำได้ สตินี่เป็นกุญแจสำคัญของการปฏิบัติถ้าไม่มีสตินั่งสมาธิก็ไม่สงบถ้าไม่สงบก็ไม่มีความสุขไม่มีกำลังที่จะสู้กับความอยากถึงแม้จะมีปัญญาก็เป็นปัญญาที่ที่ไม่สามารถฆ่ากิเลสได้ถ้าเป็นมีดก็เหมือนกับเป็นคนใช้มีดไม่มีกำลังมีมีดอยู่แต่คนใช้มีดไม่ได้กินข้าวไม่พักผ่อนหลับนอน ไม่มีเลี้ยวไม่มีแหลเอาไปตัดไม้ตัดอะไรก็ตัดไม่ไหวนี่คือเรื่องของการที่ได้มาสัมผัสกับพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าสัมผัสแล้วมันจะเกิดศ ร, รัทธาเพราะสิ่งที่พระเจ้าสอนนี้มันเป็นสิ่งที่มหาศักดิสรร์ที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังจากที่ไหนมีที่ไหนสอนให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์กันบ้างมีที่ไหนสอนให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด มีที่ไหนสอนให้เราไม่ต้องไปเกิดในอบายกันบ้างไม่มีมีแต่พระพัทเจ้านี่แหละคำสอนของพระตัทเจ้าท่านเองพอสอนแล้วมันก็เลยเกิดศรัทธาอยากจะทดลองอยากจะปฏิบัติก็เลยต้องหาที่ปฏิบัติถ้าอยู่ที่ไม่มีที่ปฏิบัติก็ต้องไปหาที่ที่มีเมื่อก่อนเราก็เริ่มที่บ้านปฏิบัติไปสักพักก็รู้ว่าไม่พอมันก็ต้องไปหาที่ที่ดีกว่าก็ต้องไปวัดไปวัดก็ต้องไปหาวัดที่ปฏิบัติ วัดบ้านก็ไม่ไปวัดที่มีการสวดมีงานศพไม่ไปต้องไปวัดที่มีแต่การปฏิบัติเพราต้องไปวัดป่าสมัยนั้นก็มีแต่แถวทางภาคดีสายวัดป่าของสายหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์ต่างๆเต็มไม่หมดนั่นและมันต้องไปพลังมาจากต่างไระเทเ้ก็มาก็าไปตามวัดป่าันวัดสายหลวงปู่ชาว์วัดป่นานาชาย วัดสายหลวงปู่มั่นก็มีไปกันเดี๋ยวนี้ก็มาแถวภาคตะวันออกก็มีวัดทางภาคตะวันออกวัดอาจารย์ตันวัดอาจารยานันน์วัดที่นี่ก็มีที่มากันที่ไหนมีที่ปฏิบัติมีการสั่งสอนก็จะมีคนไปเองเขาก็ไม่รู้หายัางไงเราไม่เคยไปประกาศติดป้ายประกาศไปที่ไหน แต่เขาก็รู้กันเพราะคนสนใจเขาก็จะค้นหากันถามกันไปถามกันมาก็จะได้แล้วสมัยนี้ยุคของการสื่อสารทางอินเทอร์เนต็ตมันกว้างขวางมากใครอยากจะรู้อะไรก็เข้าไปอินเทอร์เนต็ตเหมือนห้องสมุดของโลกเลยต้องการจะรู้อะไรไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นการค้าอะไรต่างๆนี่อยู่ในอินเทอร์เนต็ตหมดแล้วสบาย พอกดเข้าไปเท่านั้นคำตอบก็โผล่มาเยอะแยะเลยสามารถเลือกหาคำตอบที่ถูกใจได้นี่เขาก็มาจากประเทศชิลีอเมริกาใตา้อยู่คนละซีกโลกของเราอยู่คนละโลกกันอยู่คนละด้านกันเขาก็ยังมากันชาวโรเมนีย์ก็เพิ่งบวชไปก็มีมาศึกษาบางทีก็มาดูราดเรากอน เพราะแต่ละวัดมีการอยู่การปฏิบัติที่อาจจะไม่เหมือนกันเพราะสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันแต่แนวปฏิบัติเหมือนกันคือศีลสมาธิปัญญานี้เหมือนกันแต่วิธีกิ น, ก, น, ก, นกินอยู่นี่อาจจะไม่เหมือนกันที่นี่ลำบากหน่อยตอนจะไปบิณฑบาตต้องเดินจากที่นี่ลงไปที่วัดต้องลงตั้แต่เช้ามืดตั้งแต่ยังไม่สว่างเพราะต้องไปให้ทันเวลาออกบิณฑบาต ตีสี่ตีตีกว่านี้ก็ต้องเดินไปแล้วเพื่อไปเตรียมตัวออกบินทบาทตอนตีตีห้าหรือตีตีหกสมัยนี้ก็สายหน่อยเดี๋ยวหน้าร้อนก็จะเร็วขึ้นอันนี้ก็บางทีมาศึกษาดูแล้วอาจจะไม่เหมาะกับตนเองก็อาจจะไปหาที่ อ, อนนื่นนก็ต้องไปศึกษาดูลาดเราว่าที่ไหนเหมาะกับเรา ทีอยู่ครูบาอาจารย์นิสัยของพระเนนอยู่ด้วยกันมีการปฏิบัติเข้มข้นขนาดไหนเข้มกว่าเราก็อยู่ไม่ไหวอ่อนกว่าเราก็อยู่ไม่ไหวต้องแบบพอดีกับเราหรือถ้าเข้มก็ก็ดีไปอยู่กับวัดที่เข้มกว่าเราก็ดีเพราะมันจะทําให้เราเข้มได้แต่ถ้าไปอยู่กับวัดที่อ่อนกับเรานี่เดี๋ยวมันจะทําให้เราอ่อนลงไปด้วยขี้เกียจลงไปด้วย อันนี้ผู้ปฏิบัติก็จะรู้ปฏิบัติไปแล้วจะรู้ว่าสิ่งแวดล้อมนี้มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติของเราเป็อเรื่องของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าเป็นรถแห่งธรรมรถชนะทั้งปวงใครได้สัมผัสรถแห่งธรรมแม้แต่เพียงจากการศึกษาก็เกิดความ ฉันท้าแล้วเกิดความยินดีที่อยากจะเข้าหาธรรมนะก็ขอให้ท่านพยายามศึกษาถ้ายังปฏิบัติไม่ได้ก็ศึกษาไปก่อนศึกษาไปเรื่อยๆแล้วพยายามลองปฏิบัติในส่วนที่เราพอจะปฏิบัติได้นแล้วมันจะพาเราก้าวหน้าต่อไปถ้าไม่เริ่มปฏิบัติมันก็จะยืนอยู่กับที่เหมือนดูแผนที่แล้วไม่ออกเดินทาง รู้ว่าแผนที่เนี่ยจากนี่ไปถึงเชียงใหม่ไปยังไงแต่ไม่ออกจากบ้านนาทีนั่งดูแต่แผนที่ไปไม่ถึงถ้าศึกษาแล้วไม่ปฏิบัติมันก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราควรจะควรจะไปถึงกันแตถ้าเราออกเดินทางแล้วเดี๋ยวก็ถึงแน่อย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วพระพุทธเจ้าก็รับรองแล้วว่าถ้าเริ่มออกเดินทางแล้วถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปี จะต้องถึงจุดหมายปลายทางอย่างแน่นอนฉะนั้นก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิพิจนาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปขออนุโมทนาให้พอรอยะถาวาริวาหาปุราปาริปเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุปกปติ อิชิตังปัตถ um ิตังตุ่มหังคิปะเมวะสมิจจโตสะเพปเรนโตสังก p ปาจันโทปนะระโสยถามะณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาชานโตสัพพารุโควินัสตุ มาเตภวะตวันตารโยสุขีทีขายุโกผวะภิวัธนศีริสะนิจังุทธาปจายโนจตารุธรรมวะทานติอายุวันโสุขังพาลัง นนี้ทาง Facebook ทาง y youtube เข้ามาเท่าไหร่เอ่อทาง Facebook มีสามรอยหกสิบครับ<ม>ทาง y o u t u หนึ่งร้อยสิบสองแล้วก็มีจังหวัดที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากห้าสิบเจ็ดมาอยู่ที่หกสิบเอ็ดครับมีจังหวัดที่ห้าสิบแปดคือพัทลุงห้าสิบเก้าพิษณุโลกหกสิบร้อยเอ็ดแล้วก็หกสิบเอ็ดมหาสารคามกัเเม็กซจังหวัดครับ เป็นหกสิบเอ็ดละทั้งหมดนนี้มีกี่จังหวัดในประเทศไทยเจ็ดสิบเจ็ดนะก็เลยสิบหกจังหวัดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราได้ไปทั่วทั่วประเทศแล้วโ ด, <c oughs> โดยที่ไม่ต้องไปเองส่งเสียงไป <c oughs> เสียงเราไปถึงนะ <c oughs> ดีไม่ต้องไปให้เหนื่อยนะไปก็ใช้เสียงเหมือนกันนะไปที่เชียงใหม่ก็ต้องไปพูดเหมือนกันไม่ได้ทำอะไร ไม่ได้ไปก็เหมือนได้ไปฉะนั้นไม่มีความจำเป็นจะต้องไปไหนแล้วต่างประเทศก็เท่าไหร่30กว่า 33, 33ครับ33ประเทศไปโดยที่ไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องจ่ายตัวค่าเครื่องดื่มมีคนนี้ถ้าจะเพิ่มอีกเนึ่งคือชิลีนะเนี่ยอ่ชิลีนะ <laughs> <laughs> พูดทางดางงก็ได้เดี๋ยวใหม่ ม, มันมันรับเสียงได้พูดค่ะเมื่อวานที่กลบับไปถามค่ะมีมีคนกลับเียนถามเรื่องบริจาก拉่ค่ะทีนี้ตอนที่เราบริจาครา่างตอนเรามีชีวิตอยู่เราก็มีความสุขนั่นก็คือได้บุญแล้วไม่ไ ด, ได้บริจาคเป็นความสุขปลอมปลอมมันยังไม่ได้เสียอะไรคเพราะว่ามันมันเพียงแต่มีเจตนาเท่านัา้นเองค การกระทําจะสมบูรณ์ต้องมีเจตนาและมีการกระทำที่เสียสละอ่าที่ต้องเสียสละออกไปถ้าไม่เสียสละออกไปอขอความกรุณาทางนี้ถ้าจะคุยกันก็ไปคุยที่อื่นดีกว่าน ะ, ะมันรบกวนนะถ้าอยากจะโกงช่วยไปคุยที่อื่นนะมันยังไม่ได้เสียเหมือนบอกว่าเมืองบอกพรุ่งนี้ บอเดี๋ยวตายไปจะทําบุญกับวัดเนี้ยวัดยังไม่ได้เงิน่ะคนให้ก็ยังไม่ได้ให้อ่างนี้ก็ทําบุญแบบนี้กันทุกคนไม่ดีจะได้บุญกันเยอะๆ <Okay. S 1> ใช่ไหมมันไม่ได้บุญ <Okay. S 1> บอกเพียงว่าจะเขียนไว้ในพิ่นายกรรมเดี๋ยวพอถึงเวลาพี่นายกรรมอ่าเปลี่ยนไปแล้วขึ้นสายกันอีกหาว่าเป็นพิ่นายปลอมพี่นายกรรมปลอมเ <Yeah. S 1> พราะลูกหลานไม่ยอมให้ใช่ไหม <Okay. S 1> ก็เหมือนกันเวลาเราเบร์จากร่างกายเขียนไว้ เวลาตายเกิดลูกหลานมาคิดว่าเดี๋ยวบริจากแล้วเดี๋ยวชาติหน้ามาเกิดเดี๋ยวจะไม่มีอวัยวะครบสามสิบสองก็ไม่ยอมให้บริจาคเนี่ยก็ไม่ได้บริจาคหรือได้บริจาคเราก็ไม่รู้อยู่ดีอย่างนถ้าอยากจะได้บุญต้องทําตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่อย่างเช่นบริจาคตาไปข้างเนี้มีสองข้างสงสารคนตาบอดเขาไม่มีตาดูคนที่เรารักเราเคารพมากอยากให้ท่านมีตาอย่างเงี้ยเราก็พ่อหรือแม่อย่างเงี้ย ก็แบ่งตายให้พ่อแม่ไปข้างหนึ่งก็ได <mm ้หรือไตนี่ก็แบ่งได้ปอดก็แบ่งได้ถ้าทำเงี้ยมันจะรู้สึกมันจะมีความสุขมากใช่ไหมในเวลาที่ได้เสียสละสิ่งที่เรารักไปอ่าคำถามที่สองค่ะเอองการท่องพุทโธค่ะถ้าเป็น สมมาอรหังหรือคำสวดได้เหมือนกันแทงกันได้พุโทโธธรรมโอสังโคก็ได้หรือบทตัวมลยาวๆก็ได้ได้แล้วแต่ถ้าที่จะเหมาะกับสภาพจิตของเราในตอนนั้นถ้าจิตฟุ้งมากก็สวดยาวจะดีสวดพระสูตรไปเลยมันจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเพราะเราจะต้องจดจําบทพระสูตรแล้วก็ต้องพยายามสวดไปตามพระสูตรนั้นถ้าพุโทโธมันมึงทียังสวด มันพุโทโธนั่นเดี๋ยวมันจะไปคิดเรื่องอื่นได้เพราะมันมันซ้ํากันซ้ํากันแต่ถ้าต้องสวดอิติปิโสหรือสวดธรรมจักนี่มันจะต้องรู้ว่าเราสวดถึงตรงไหนสวดตรงไหนมันก็ต้องมีสติมากกว่าถึงจะสวดได้มันก็จะทําให้เราดึงใจที่ไป ฟ, ฟุ้งซ่านกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ให้ไปได้ยังไงก็ต้องดูสภาพจิตถ้าวันไหนจิตไม่ฟุ้งพุโทโธพุโทโธอยู่ได้ก็ใช้พุโทโธคําเดียว หรืไม่พุทโธอยากจะดูลมอย่างเดียวก็ได้ถ้าไม่อยากจะบริกรรมไม่อยากจะทํางานทางจิตใจเลยก็ให้ดูเฉยๆเพ่งดูลมไปอย่างเดียวก็ได้คำถามสุดท้ายค่ะเรื่องการที่สวดสวดมนต์นี่คุณแม่ฟังแล้วอ่านคาแปลให้ด้วยค่ะกับการที่สวดมนต์เสร็จแล้วอ่า น, รรราา น, น, นหนังสือของแพทยการยังไหวไหมได้ทั้งนั้นน่ยถ้าถ้าเป็นภาษาไทยมันจะดีกว่าตรงที่เขาจะได้เข้าใจได้<อ> ถ้าเป็นภาษาบาลีเช่นส่วนนี้มันเขาจะไม่เข้าใจความหมายอ่านทำนี้ได้เลยอ่าได้เลยหรือเปิดเทปก็ได้เปิดซีดีก็ได้ถ้าไม่อ่านก็ได้ดูชาติยาอ่านก็ได้เพราะอาจจะมีความใกล้ชิดกันหน่อยอแล้วเราสามารถอ่านช้าอ่านเร็วได้หยุดได้ถ้อแม่ไม่เข้าใจก็ออยางเขถามก็อาจจะอ่านใหม่ก็ได้ก็ดีอ ถ้าอ่านได้ก็เหมือนกับเรากําลังแสดงทําให้แม่ฟังเอาธรมของครูบาอาจารย์มาแสดงให้แม่ฟังแต่แม่ต้องฟังเข้าใจต้องฟังรู้เรื่องเนี่ย <c oughs> ถ้าไม่รู้เรื่องก็ไม่ไม่ได้รับประโยชน์เหมือนทับพีในหม้อกแกงทับ <c oughs> พีมันไม่รู้เรื่องใช่ไหม <c oughs> ว่าแกงมันแกงอะไร <c oughs> มันต้องเป็นวิ้นกับแกงอ <c oughs> ถ้าลิ้นนินแกงหยดเดียวก็รู้ว่ามันแกงอะไร ทัพพีแช่ในมองแกงทั้งวันทั้งคืนก็ไม่รู้ว่าเป็นแกงอะไรถ้าแม่ไม่รู้เรื่องรวดไปแล้วแม่ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ว่ากำลังพูดอะไรกำลังอ่านอะไรก็จะไม่ได้รับไปอยู่อาจจะได้ตรงที่ว่าถ้าตั้งใจฟังแล้วไม่ไปคิดอะไรให้ฟุ้งซ่านมันก็จะได้นางับความฟุ้งซ่านได้แต่จะไม่ได้ปัญญ า, าอ่ามต่อ ครับคำถามจากคุณกบครับอยู่ในห้องที่มียุงเราไม่ได้ตบแต่แอบยินดีเวลาเพื่อนตบบาปไหมคะกราบนะมรมาสการพระอาจารย์ค่ะ อ, อ๋อไม่บาปหรอกถ้าเราไม่ได้ไปสั่งเขาหรือสั่งให้เขาทำหรือเราทําเองยังไม่บาปแต่การยินดีก็แสดงว่าเราไม่มีความเมตตาไม่ได้แผ่เมตตาการแผ่เมตตาต้องสงสารเขาโอ้ไม่น่าไปตบมันเลย คำถามจากคุณนัตยาฝึกสมาธิและฟังพระอาจารย์ผ่านยูทูบทุกวันมาเกือบ6เดือนแล้วรู้สึกสงบสบายและมีความสุขกับการอยู่คนเดียวมากขึ้นแต่ยังไม่กล้าตัดสินใจว่าจะอยู่คนเดียวไปตลอดหรือไม่เพราะยังคิดไม่ออกว่าหากมีการเจ็บป่วยถึงขั้นดูแลตัวเองไม่ได้เราจะจัดการกับตัวเองอย่างไรขอความกรุณาชี้แนะว่าควรคิดและฝึกอย่างไรเพื่อความก้าวหน้าในทางธรรมมากขึ้นในอนาคต อ๋อไม่ต้องกังวลหรอกถึงเวลาบุญกรรมมันจะจัดการให้เราเองอ่ะถ้าเราไม่ไปยึดติดกับร่างกายคิดว่ามันเป็นหมาตัวหนึ่งมันก็สบายอย่าไปเอว่าเป็นตัวเราของเรามันเป็นคนรับใช้เราใ น, นเวลามันเป็นอะไรเราดูแลมันได้ก็ดูแลไปดูแลไม่ได้ก็ให้มันเป็นคนไข้อนาถาไปใครจะช่วยก็ช่วยไม่ช่วยก็ยังไงมันก็ตายอยู่ดีงั้นถ้าคิดแบบนี้มันจะไม่กลัว ถ้าไปคิดว่าจะต้องดูแลต้องรักษารักษาไงเดี๋ยวมันก็ตายเพราะร่างกายมันมีอยู่สามโรค ก, ก็ัโรคชนิดที่หนึ่งก็คือเป็นแล้วหายเองเป็นหวัดนี่ไม่ต้องไปรักษามันเดี๋ยวมันก็หายเองโรคที่สองเป็นแล้วต้องรักษาถึงหายถ้าไม่รักษาก็เป็นอยู่อย่างนั้นอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่บุญตระก ร, รมถ้ามีโอกาสรักษาก็รักษาไปการรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไป ถ้าเราภาวนาเป็นเราจะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ปวยของร่างกายอยู่กับมันได้โลกที่สามนี้รักษากหรือไม่รักษาก็ตายมันก็มีอยู่ข้าสามโลกเดี๋ยวต้องก็ต้องเจอสามโลคนี้ยันไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นครูบาอาจารย์เป็นชีเป็นคารวาดเป็นคนรวยคนจนมันถึงเวลามันก็ต้องเจอโลกสุดท้ายด้วยกันทุกคน รักษาแล้วไม่รักษาก็ตายรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายไม่ไปกลัวอะไรไม่มีอะไรไม่น่ากลัวอ่าพิจารณาอย่างนี้แล้วจะไม่กลัวเราก็ทำตัวเราให้ดีที่สุดแต่คนที่ปฏิบัติธรรมนี้มักจะโรคภัยไข้เจ็บไม่ค่อยมีมากเพราะว่ารู้จักดูแลรักษาตัวเองเพราะไม่ได้ไปทำอะไรให้ร่างกายเสียหายเหมือนคนที่ไม่ปฏิบัติธรรม ไม่ไปกินเหล้าไม่ไปเที่ยวไม่ไปสูบบุหรี่ไม่ไปนอนดึกดื่นอะไรอยู่ในวัดเดินจงกรมนั่งสมาธิออกําลังกายกินอาหารเป็นเวลาโอ้ทุกอย่างมันทําให้สุขภาพดีทั้งนั้นเวลาไม่ได้อยู่วัดนี่มันถึงเดี๋ยวเพื่อนมาชวนบ้างเดี๋ยวอะไรมาบ้างเกรงใจเขาตัวเองไม่อยากจะดื่มก็ต้องดึงมไม่อยากจะไปพักผ่อนไม่พอก็ต้องไปกลัวเสียเพื่อนอะไร มันจึงทำให้สุขภาพร่างกายย่มแย่กันมันอยู่ที่พฤติกรรมของเราถ้าเที่ยวมากกินมากดื่มมากเล่นมากมันก็ร่างกายมันก็ช้ำลดสุดลมได้ง่ายขึ้นมากขึ้นแตนถ้าเราบวชจริงๆถ้าเราปฏิบัติทำจริงๆแล้วโอ้ร่างกายจะได้รับการดูแลอย่างถูกต้องจะทำให้โครคภัยไข้เจ็บนี้มียากมากถ้าเรารู้จักวิธีดูแลมันดงั้น เกสรุปก็คือไม่ต้องกังวลหรอกงั้นถ้ากังวลแบบเราก็ไม่มีใครบวชได้คนที่เขาบวชทําไมเขาบวชกันได้เราไม่เห็นเขาต้องกังวลกันพระเจ้าดึงบอกให้จจเจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะเป็นอะไรไม่มีใครล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้ องนั้นไปเถิดไม่ต้องกลัวมีคนจะยินดีดูแลสนับสนุนคนที่อยากจะทำบุญมีเยอะแยะขอให้เราทำตัวเราให้เขาสนับเขามีศรัทธาเท่านั้นเถอะไม่ต้องกลัวหรอกมีแต่คนจะแย่งดูแลรักษากันมากกว่าคำถามจากคุณจงศรีครั บ, ร บ, บมัสการพระอาจารย์ค่ะคนกินเหล้าสุบบุรี เล่นการพนันทํางานไม่ทนคือเหตุแห่งความเสื่อมเราควรจะเลิกคบดีไหมคะก็ดีเพราะว่าถ้าคบกับเขาเดี๋ยวเขาชวนเราไปทําเหมือนเขาคบคนที่เป็นคนดีพระเจ้าบอกว่าให้คบบัณฑิตอย่าคบคนพาลคนพาลก็คือคนง่อบัณฑิตก็คือคนฉลาดคนโง่มักจะทําอะไรสิ่งที่ไม่ดีคนคนฉลาดมักจะทําสิ่งที่ดีอยู่กับคนดีเขาก็จะชวนเราทําสิ่งที่ดี ถื่ว่าคนก็คนไม่ดีเขาจะชวนเราทาสิ่งที่ไม่ดีคำถามจากคุณชนะตนศรัทธายาตโยมที่ทำบุญใส่บาตรพระปฏิบัติถือว่าให้กำลังท่านให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆจนกว่าจะบรรลุธรรมจะได้บุญเหมือนกับถวายอาหารกับท่านเมื่อก่อนบรรลุธรรมไหมครับเหมือนกันน่การบรรลุธรรมของท่านไม่เกี่ยวกับเรา จะต่างกันตรงที่ว่าท่านจะได้สอนธรรมที่บริสุทธิ์ให้กับเราได้ถ้าเราอยากจะศึกษาธรรมจากท่านถ้าท่านยังไม่บรรลุธรรมก็ธรรมของท่านก็ยังไม่บริสุทธิ์แต่บุญที่เราได้จากการใส่บาตรนี้เหมือนกันเหมือนพระพุทธเจ้าบอกคนที่ใส่บาตรให้ท่านมือสุดท้ายก็ได้บุญเหมือนกันคนที่ใส่บาตรก่อนที่ท่านจะตัดชลูกก็ได้บุญเหมือนกันมันไม่ได้อยู่ที่ผู้ที่ไปรับ ของจากเรารับไปแล้วเขากินแล้วเขาตายก็เขาก็ไม่มาโทษเราว่าเป็นอาหารที่ทำให้เขาตายพระพุทธเจ้าไม่โทษคนที่สายบาปบอกอย่าไปเสียใจว่าเป็นอาหารที่พระพุทธเจ้ารับประทานแล้วตายไปเขาได้บุญเพราะการทำบุญนี้คือการเสียสละแบ่งปันนจะให้ตอนก่อนตัดสู้เนื้อให้ตอนก่อนตายมันก็ได้บุญเหมือนกันไม่ต่างกัน ต่อนนะครับคำถามจากคุณวัชเจริลลี่กราบเรียนถามเจ้าค่ะเวลาทําบุญทุกครั้งไม่ว่าจะใส่บาทหรือนําปัจจัยไปทําบุญใจ ม, มันมักจะอธิษฐานขอโน่นขอนี่ตัวที่ขอนี้มันคือตัวกิเลสหรือเปล่าคะมันอยากจะขอพอรให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วการอธิษฐานนี้มันควรจะทําไหมคะหรือทําบุญแล้วควรทําใจเฉยๆคะ อ, อ๋ออธิษฐานได้แต่ต้องอธิษฐานให้ถูกที่ นี่เราไปอธิษฐานผิดที่ไปอธิษฐานที่ผลอยากได้นู่นอยากได้นี่เวลาทําบุญท่านว่าให้อธิษฐานว่าให้เราได้ทําบุญอย่างนี้ไปเรื่อยๆให้เราได้ทําบุญทุกวันให้อธิษฐานที่เหตุเพราะผลมันเกิดจากเหตุมันไม่ได้เกิดจากการอธิษฐานขอสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าอยากจะได้ผลจากการทําบุญก็อธิษฐานว่าขอให้ได้ทําบุญทุกวันแล้วผลที่เกิดจากการทําบุญทุกวันมันก็จะปรากฏขึ้นมา กันจะทำอะไรให้อธิษฐานที่เหตุคือให้คำว่าอาธิษฐานนี้ไม่ได้เป็นคำแปลว่าคำขอทางศาสนานนี้แปลว่าความตั้งใจอธิษฐานเนี่ยสัจจะอธิษฐานพระพุทธเจ้าตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะนั่งภาวนาใต้ต้นโพนี้ไปจนกว่าจะตัดสรลูไม่ได้บอกว่าจะนั่งแล้วนั่งไปจนกว่าจะตัดสัลูถ้านั่งไปไม่ภาวนามันก็ไม่ตัดสัลู แต่ก้าวหน้าภาวนาถึงจะตัดจะรู้ได้คำถามจากคุณสุขุมกราบเรียนสอบถามพระอาจารย์ค่ะเราต้องใช้เวลาปฏิบัตินานเท่าใดถึงจะรู้ว่าเราก้าวหน้าแล้วเจ้าคะ่ะขอความเมตตาด้วยเจ้าคะ่ะ เ, ออเวลาไม่ได้เป็นตัวกาหนดตัวที่จะกาหนดความก้าวหน้าก็คือปริมาณของการปฏิบัติว่ามากหรืน้อย ว่าถูกหรือไม่ถูกถ้าปฏิบัติมากปฏิบัติถูกผลก็จะเกิดขึ้นเร็วถ้าปฏิบัติมากแต่ปฏิบัติไม่ถูกผลก็ไม่เกิด้นต้องอยู่ที่ว่าปฏิบัติมากหรือน้อยถูกหรือไม่ถูกไม่ได้อยู่ที่เวลาบางคนฟังธรรมพระพุทธเจ้าปั๊บปไปปฏิบัติบรรลุทันทีเลยเพราะปฏิบัติตามที่พระเจ้าสอนทุกอย่างพระเจ้าสอน ว่ให้ดูให้สักแต่ว่ารู้เห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเขาก็ทําตามที่พระุทธเจ้าสัง่งเขาก็หลุดพ้นได้เลยคําถามจากคุณนุกูลกิตขอโอกาสถามพระอาจารย์ครับว่าฟังธรรมขณะขับรถนี้ถือว่าเป็นการไม่เคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมและครูบาอาจารย์ไหมครับไม่หรอกเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควร ว่ามันจะไม่ได้ฟังอย่างต่อเนื่องมันทําไปมันก็ต้องขับรถไปใจมันก็จะแบ่งเป็นสองวิ่งไปวิ่งมาระหว่างการฟังธรรมกับระหว่างการขับรถฉะนั้นธรรมก็จะไม่ต่อเนื่องเมื่อไม่ต่อเนื่องก็จะไม่เข้าใจเพราะธรรมนี่เป็นเรื่องของเหตุผลฉะนั้นถ้าฟังแล้วมันมันข้ามไปข้ามมามันก็จะไม่ได้ผลเต็มที่ เดี๋ยวช่วยลดเสียงหรือเอาไมโครโฟนออกหน่อยนะไม่รู้สึกว่ามันเสียงจะหอนทํางนี้หน่อยหรือพูดเบาหน่อยก็ได้ส่เสียงก็ได้แต่เพียงแต่พูดเบาหน่อยพเอยพราะเวลาพูดนี่เสียงมันจะหอนโอเคจากคุณพิมพ์าครับหนูมีคําถามค่ะคือว่าที่ผ่านมาหนูได้ทําบุญสร้างโบสถ์คือเหมาปูหินอ่อนทั้งหลังของโบสถ์แล้วสั่งหินอ่อนเอามาลงที่วัดเลยค่ะแล้วก็ต่อมาก็ได้สั่งโรงเย็น ที่ร้านเอามาส่งที่วัดค่ะและต่อมาได้สั่งโถห้องน้ำเอามาลงที่วัดค่ะคือทำบุญสร้างมาตลอดแล้วล่าสุดหนูได้ไปบ้านและเข้าไปที่วัดค่ะพระที่วัดไม่ต้อนรับพูดจาเจ้ายศจะต้องเป็นขั้นเป็นตอนคือหนูมีโครงการที่จะสร้างหลวงพ่อโตค่ะเอาไปไว้ที่วัดที่บ้านเกิดเป็นแบบนี้จะทำอย่างไรครับคือเราทาบุญแล้วเราก็อย่าไปถืออภิสิทธิ์ว่าเราได้ทาบุญแล้วเขาจาเป็นจะต้องมา ให้อภิสิทธิ์กับเราเขาอาจจะไม่รู้ว่าเราเป็นคนทําก็ได้แหม่เมื่อเราไปที่ไหนเขามีขั้นตอนอะไรของเขาเราก็ต้องทําไปตามขั้นตอนของเขาอย่าไปคิดว่าอ๋อเราทําบุญแล้วเรามีอภิสิทธิ์เขาจะต้องอต้อนรับเราอย่างดีอะไรอย่างนั้นซึ่งปกติถ้าคนที่เขารู้เขาอาจจะทำที่คนที่ต้อนรับเราเขาอาจจะไม่รู้ว่าเราได้ทําบุญกับของวัด เขาก็อาจจะถือว่าเราเป็นเหมือนคนทั่วไปเขาก็ต้อนรับไปตามตามความรู้ของเขาแต่ถ้าเขารู้ว่าเราเป็นคนที่ทําคุณทําประโยชน์ให้กับวัดมากเขาก็อาจจะเอาพรมแดงมาปูต้อนรับเนะอย่าไปหวังอะไรเนยเราทําบุญไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนจากใคร เราไปแล้วทำตัวเป็นเหมือนเหมือนกับปิดทองหลังพ้าอย่างนั้นฮะเขาไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้ต้องการอะไรจากเขาเราก็ไปตามปกติของเราไปคาถามจากคุณยานิกากราบนรมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเวลานั่งสมาธิทำไมรู้สึกว่าตัวเองโยกโยกเหมือนเวลาเรามองคนนั่งสับตะกง ทั้งๆ ท, ที่บางครั้งไม่ได้รู้สึกว่ามุ่งเจ้าคะ่ะ อ, อ๋อไม่มีสติไงเวลานั่งแล้วไม่มีสติกำกับใจเวลาเราคุยกันนี่เรามีสติใช่ไหมเราไม่ค่อยโยกนะเพราะเราคอยฟังคอยตั้งใจฟังแต่พอนั่งสมาธิมันไม่มีพุทโธไม่มีลมหายใจมันก็โยกในเวลานั่งต้องมีอะไรควบคุมใจต้องมีพุทโธพุทโธอย่างนี้เมื่อมีการดูลมแล้วรับรองมันไม่โยกถ้าโยกก็แสดงว่ามันไม่ได้ดูแล้วไม่ได้พุทโธนะ ถาจากคุณโอการที่เราสวดมนต์บ่อยๆทำให้ทั้งวันรวมถึงเวลาทางานจิตคอยแต่จะสวดมนต์อยู่ตลอดเวลาบางทีกำลังคิดงานอยู่เผลอแป๊บเดียวใจก็สวดมนต์ขึ้นมาเองทั้งเวลาเดินไปเดินมาก็คอยแต่จะสวดมนต์อยู่เรื่อยๆต้องทำอย่างไรดีครับถ้ามันไม่เป็นการเสียหายต่อการทางานก็สวดไปถ้ามันเสียหายก็ต้องบังคับให้มันหยุดเช่นเวลาทางานต้องคิดบัญชีอย่างนี้ แล้วมันยังจะสวดอยู่ก็ต้องบังคับมันให้มันหยุดแล้วบังคับให้มันอยู่กับการคิดบัญชีอันนี้ก็เป็นสติเหมือนกันให้มันมีสติอยู่กับเรื่องที่ต้องต้องอยู่เรื่องที่ยังไม่ต้องอยู่อย่าไปให้มันอยู่ถ้ามันต้องอยู่กับการทำคิดบัญชีก็ให้หยุดสวดถ้ามันไม่ต้องคิดบัญชีแล้วมันจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ให้มันสวดแทนจะดีกว่าเั้นถ้าเรามีสติเราจะคุมมันได้ คำถามจากคุณพีกราบนมัสการครับถ้าหากเห็นโทษของความผูกพันจะพิจารณาระวางหรือพิจารณาบ่อยๆอย่างไรให้ระวางได้ครับเออก็ต้องคิดว่าเราต้องมีการพัดพลาดจากการเป็นธรรมดารวงพนการพัดพลาดจากการไปไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้เราจะต้องจากเข้าไปไม่จากเป็นก็จากตายเรามาตัวเปล่าๆแล้วเราต้องไปตัวเปล่าๆดูแค่ คนที่ไปมีอะไรติดตัวไปได้นะไม่มีใครเอาไปได้นอกจากบุญกับบาปเท่านั้นที่เอาไปได้แต่ถ้าเป็นวัตถุเป็นสิ่งของเป็นบุคคลนี้เอาไปไม่ได้ให้คิดอยู่เนืองเนืองพุทเจ้าสอนให้พิจารณาอยู่เนืองเนืองว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากกาันเป็นธรรมดาล่วงพ้นจากการพัดภากจากกันไปไม่ได้ให้คิดอย่างนี้แล้วก็จะปล่อยวางได้คาถามจากคุณลาวัน เรียนท่านพระอาจารย์ท่านบอกว่ารู้สัตว์แต่ว่ารู้เห็นสัตว์แต่ว่าเห็นจะต้องจิตว่างๆด้วยใช่ไหมคะถึงจะได้ผลอก็น่าสนีจก็ถึงให้ว่างไงมันถึงจะรู้เฉยๆถ้ามันมีกเกล็ดมันก็ไม่ว่างพอเห็นทองมันก็จะตาวาวขึ้นมาพอเห็นขี้มันก็จะมันก็จะแสดงอาการเบือ่อนายขึ้นมาแสดงว่ามันไม่เฉยมันไม่รู้เฉย ต้องรู้เฉยๆเห็นอะไรก็ต้องรู้เฉยๆใครด่าก็เฉยใครชมก็เฉยเนี่ยต้องมีอุเบกขาต้องฝึกสมาธิคนที่ฟังแล้วบรรลุธรรมได้ก็เพราะเขามีอุเบกขาแล้วเราจึงทำตามที่พระเจ้าสอนให้ทำได้คำถามจากคุณชานี้กราบเรียนถามค่ะขณะฟังทำให้เอาสติจดจ่ออยู่ที่หูฟังเสียงแล้วพยายามไม่คิดเรื่องอื่น หรือว่าฟังเทศแล้วให้คิดตามน้อมคำเทศเข้ามาใส่สอนตัวเองคะก็ได้สองอย่างถ้าฟังแล้วสามารถพิจารณาตามได้ก็จะได้ปัญญาก็าจะได้เข้าใจว่าทาไมต้องทำอย่างนี้ว่าการแสดงเหตุเช่นทำไมต้องทำ ส, สติก่อนถึงจะได้สมาธิถ้าเราฟังแล้วเราเข้าใจเราก็จะได้เอาไปทำได้อย่างถูกต้องว่าออกต่อไปนี้ก่อนจะนั่งสมาธิต้องมีสติก่อน ถ้าไม่เข้าใจคําว่าสติไม่เข้าใจว่าคําว่าสมาธิหมายถึงอะไรก็ฟังเสียงไปก่อนแล้วก็อาศัยเสียงนั้นผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดเรื่องต่างๆใจก็จะสงบจากการฟังธรรมได้ก็จะได้สมาธิแทนการฟังธรรมนี้ฟังได้สองแบบฟังเพื่อเอาสมาธิแล้วฟังเพื่อเอาปัญญาฟังเพื่อเอาสมาธิก็ไม่ต้องคิดตามเอาใจเสียงกล่อมใจแทนที่จะใช้พุโทโธ เพราะพุโทโธเราต้องทำเองมันยากเอาเสียงของเสียงคนที่เขาพูดจะการง่ายกว่านั่งเพียงแต่ฟังไปเรื่อยๆแล้วใจไม่ไปคิดอะไรมันก็สงบได้แต่ไม่ไม่สงบเต็มที่เท่านั้นเองอยากจะให้สงบเต็มที่มันต้องอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวหรือดูลมอย่างเดียวแต่ในเบื้องต้นสำหรับคนที่ยังนั่งสมาธิไม่ได้ก็อาศัยการฟังเทศไปก่อนก็เป็นวิธีทาให้ใจสงบได้ แล้วถ้าเข้าใจฟังแล้วเข้าใจก็จะได้ปัญญาคำถามต่อจากคุณพิมพาที่เรื่องสร้างโบสถ์นะครับหนูขอคุยกับพระที่วัดแต่พระท่านไม่ยอมคุยด้วยค่ะหนูบอกว่าจะขอคุยเรื่องสร้างรคราศค่ะก็ไปหาเจ้าวาดสิถ้าก็ไม่คุยกับเราถามว่าเจ้าวาดอยู่หรือเปล่าคุยใบวันนี้ต้องไปคุยกับเจ้าวาดเนี่ยถึงจะได้เพราะไม่มีใครจะตอบ คำถามได้ดีกับเจ้ า, าวาดไปคุยกับพระลูกวัดเดี๋ยวก็จะไม่ได้เรื่องก็ <c oughs> ไปขอพบเจ้ า, าวาดเลยเท่า น, นั้นเองแล้วก็มีโอกาสก็ไปคุยกับเจ้ า, าวาดนี่เขาจะทำตามที่เราอยากจะทำหรือไม่ก็ต้องอยู่ที่เขาแล้วละเราจะไปบังคับของไม่ได้เราจะไปอ้างว่าทำบุญกับว่านี่มาเยอะอันนี้เป็นการให้สินบนพระไม่ได้นะ <c oughs> ถ้าอยากจะทําอะไรก็ต้องให้พระเขาพิจารณาตามความเหมาะสมของวัดเขาว่าว่าเขาเหมาะสมที่จะทําตามที่เราขอได้หรือเปล่าถ้าเขาเหมาะสมเขายินดีเ ข, เขาก็จะอนุญาตให้เราทําเองถ้าไม่ยินดีก็ไปหาวัดอื่นก็ได้ไม่ใช่มีวัดเดียวที่ไหนอมีเยอะแยะไปวัดอื่นมีเยอะแยะไปคาําาถมจากคุณอัญชลีกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะอยากสอบถามว่า สาวประเภทสองสามารถบวชเป็นพระได้ไหมคะตามพระวินัยคงไม่ได้หรอกว่าเพราะว่าสาวประเภทสองนี่ก็อยู่ในรูปของผู้ชายแล้วก็ต้องอยู่ร่วมกับผู้ชายพระพระต้องทํากิจกรรมร่วมกันต้องเวลาฉันก็ฉันร่วมกันบิณฑบาตรร่วมกันทำกวัดกวาดร่วมกันทํางานร่วมกัน มันก็อยู่ใกล้ชิดกันได้วบางทีอาจจะส่งน้ําด้วยกันสมัยก่อนก็ส่งน้ําที่สะที่บ่ออะไรองี้มันก็เดี๋ยวอาจจะมีการแตกเนื้อต้องตัวกันขึ้นมาแล้วจะทําให้สาวประเภทสาวนี้เกิดอารมณ์คล้ายขึ้นมาได้เพราะเขาชอบผู้ชายใช่ไหมแต่อันนี้ท่านเลยห้ามไม่ให้บวชเพราะว่าถ้าบวชไปบวชชีก็แล้วกัน ไปทำตัวเป็นผู้หญิงแล้วกรอหัวเป็นปดชีก็แล้วกันแล้วเ่อเราเช่าผู้หญิงอยู่กับผู้หญิงมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องเพศคำถามจากคุณญานิกาขอกราบเรียนถามพระอาจารย์การนั่งสมาธิจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องเจ้าคะขั้นแรกก็ต้องฝึกสติก่อนต้องมีสติสติเป็นเหมือนเชือกที่จะมัดใจให้นิ่งจิตใจเป็นเหมือนดิง ถ้าไม่มีเชือกเปมัดลิงนี่ลิงมันไม่มันไม่มนมิ่งลิ ง, ลงมันก็จะวิ่งไปวิ่งมาเล่นไปเล่นมาดังั้นต้องไปหาเชือกเส้นใหญ่ๆมามัดลิงให้ได้ต้องหาสติมามัดใจวิธียามีสติก็ต้องพุทโธไปทั้งวันหรือเฝ้าดูการกระทําของเราทาัทาง้งของทางร่างกายทุกเวลานาทีไม่ให้ใจไปอยู่ที่อื่นให้อยู่ที่การเคลื่อนไหวอยู่ที่การกระทําของร่างกาย แล้วใจก็จะมีสติไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คือเป้าหมายก็คือให้หยุดคิดใจจะนิ่งได้ต้องหยุดคิดยังต้องมีสติมันถึงจะหยุดคิดได้ต้องมีพุทโธแล้วต้องเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดเวลาถ้าเราสามารถควบคุมใจไม่ให้ไปคิดได้เราก็มานั่งหลับตานั่งขัดสมาธิถ้านั่งขัดสมาธิได้ก็นั่งขัดสมาธิถ้ายัางนั่งไม่ได้ก็นั่งเก้าอี้ไปก่อนก็ได้ ตั้งตัวให้ตรงแล้วก็ให้มีสติอยู่กับพุโทโธบริกรรมพุโทโธไปหรือถ้าจะใช้ลมหายใจก็เฝ้าดูลมหายใจเข้าออกไปให้ดูเฉยเฉยไม่ต้องไปทำอะไรกับลมให้รู้ว่าเข้ารู้ว่าออกรู้ตรงที่ปลายจมูกก็ได้หรือตรงกลางหน้าอกก็ได้แล้วอย่าให้คิดแล้วเดี๋ยวจิตก็จะสงบนั่งให้นานที่สุดนั่งไปจนกว่าจะทนนั่งไม่ได้ค่อยออกมาคาถามจากคุณขจรศักด กระผมฝันเห็นพระอาจารย์เดินมาบอกเลขสามตัวแล้วบอกว่าให้ซื้อเยอะๆจะได้เอาเงินไปทำบุญแล้ว<ม>ท่านก็เดินจากไปแต่สติมันบอกผมว่าท่านเป็นพระไม่เคยเล่นหวย<ม>สรุปผมเชื่อสติผมครับคำถามเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสติของคนเราใช้เวลากี่นาทีที่สติออกมาเตือนในเวลาเรากำลังจะทำผิดครับก็ อ, อยู่ที่ว่าเรามีมากมีน้อยเราฝึกมากฝึกน้อย ถ้าฝึกมากมันก็จะเร็วมากขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนฟ้าแลบเลยพอเพียแต่จะคิดปั๊บ ม, มันก็หยุดได้แต่ถ้ามันสติน้อยบางทีไปทำมาแล้วถึงได้สติไปกินเหล้ามาแล้วถึงได้สิโอกูถือสีห้าอยู่ในหัว <c oughs> <c oughs> มันมีนสติน้อยมากก็ต้องฝึกสติไปให้มากๆหมดแล้วนะวันนี้หมดเวลาพอดี